รถเบนสีน้ำเงินแล่นมาจอดที่หลังกุฏิคนขับไปสาสิบเศษลงจากรถเดินอ้อมไปเปิดประตูให้เจ้านายบุรุษและสตรีอายุประมาณ40สเดินตามบุตรชายวัยแดขวบเข้าไปในกุฏิท่านพระครูกำลังจะออกไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมครั้นเห็นอาคัรตุกะเดินเข้ามาจึงกลับมานั่งอย่างอาศนะคนทั้งสามทำความเคารพท่านพระครูและเด็กชายก็เอ่ยขึ้น ท่านจำผมได้ไหมครับดกรกริดเพื่อนของท่านเมื่อชาติที่แล้วว่ายังไงนะหนูเนอะหรือเป็นเพื่อนหลุงพ่อเมื่อชาติที่แล้วครับชาติที่แล้วของผมแต่เป็นชาตินี้ของท่านคําบอกเล่าของเด็กชายดูเหมือนทําให้พิกษุกวัยใกล้40่สงุนงงมากขึ้นบุรุษที่มาด้วยจึงช่วยอธิบาย คืออย่างนี้ครับท่านลูกชายผมคนนี้มาแปลกกว่าลูกคนอื่นๆผมมีลูกห้าคนคนนี้เป็นคนสุดท้องและเป็นลูกชายคนเดียวแกมีอะไรที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปเป็นต้นว่าเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กอื่นอายุแค่8ปีสามารถอ่านภาษาฝรั่งเศสได้แปลก็ได้ด้วยครับแกบอกว่ารยนจบด็อกเตอร์จากประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็รบเร้าให้ผมพาไปบ้านหลังหนึ่ง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 ช่วยไปเป็นพยานว่าแก ค, คือด็อกเตรกริตกับชาติมาเกิดค่ะคนเป็นแม่พูดบ้างออกวิตกว่าท่านจะไม่เชื่อจะให้เป็นพยานได้อย่างไรในเมื่ออาตมายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นด็กเตรกรดจริงหรือเปล่าหนูมีหลักฐานอะไรมาแสดงละ่ะประโยคหลังท่านพูดกับเด็กชาย ทำไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงหรอกครับท่านแต่เขาบอกเป็นว่าผมจะย้อนอดีตให้ท่านฟังแล้วท่านจะรู้ว่าผมคือดรกริดกลับชาติมาเกิดจริงไม่ได้หลอกลวงท่านแต่ประการใดแล้วคนอายุปดขวบจึงตั้งตนเล่าว่าพ่อกับแม่ผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ได้มาหากินที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยรับจ้างเข้าทำนาอยู่ที่บ้านห้วยแก้วใกล้กับบ้านไผ่ขวาง ตอนนั้นผมชื่อนายกริตตัวดำมีฝ่ายเมตโต ท, ที่ริมฝีปากเพียงอารัมพบทท่านพระครูก็รู้ชัดว่าเด็กชายเป็นเพื่อนของท่านกลับชาติมาเกิดจริงฝฟที่ริมฝีปากก็ยังอยู่แม้ว่าขนาดจะเล็กลงกว่าเดิมแล้วทำไมชาตินี้ถึงตัวขาวท่านถามเพื่อทดสอบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ อาจเป็นไปได้ว่าเพราะผมมาเกิดเป็นลูกคนจีนจึงมีผิวพรรณเหมือนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดชาติที่แล้วเป็นลูกชาวนาก็ผิวดำตามพ่อแม่เด็กชายวัยแปดขวบตอบฉะฉานแล้วหนูเป็นเพื่อนกับลุงพ่อตอนไหนท่านถามอีตานเรียนมัธยมสครับพอจบมัธยมสมผมติดตามญาติไปเรียนที่ฝรั่งเศส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 แวะทานข้าวเย็นกันที่รังสิตถึงบ้านเราวสองทุ่มผมก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมเข้านอนเพราะเหนื่อยกับการขับรถก่อนนอนผมก็เข้าไปสวดมนต์ในห้องพระสวดเสร็จจึงกล่มลงกราบขณะที่ก้มรู้สึกเวียนศรีรษะขึ้นมาอย่างกระทันหันและสัมปชัญญะก็ดับวูบลงมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พราะว่าตัวเองเป็นเด็กทารกแรกเกิดอยู่ในโรงพยาบาลเตี่ยดีใจมากที่ได้ลูกชายผมอยากจะบอกว่า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 เรื่องเพนไม่ต้องห่วงนะครับท่านไปถึงรังสิตผมจะนิมนต์ฉันเพลงวิดาของเด็กชายกราบเรียนอาตมาไม่ห่วงเรื่องนั้นห่วงแต่ญาติโยมที่มาเข้าปฏิบัติกรรมฐานเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมจากนั้น เราก็จะไปกันเลยหรือด็อเตอร์กริตจะว่ายังไงท่านถามเพื่อนเก่าไม่ว่าหรอกครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกเท่า น, นี้ก็นับว่าเป็นความกรุณาอย่างมากแล้วนิมนท์ท่านเถึกครับส่วนผมจะพาเตี๋ยกับแม่เดินชมวัดเด็กชายบอกเพื่อนเก่า พิมพายู่บ้านเพียงลําพังบุตรชายสองคนไปโรงเรียนกว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่โมงเย็นนับแต่สามีตายหล่อนก็อยู่กันสามคนแม่ลูกและไม่คิดจะแต่งงานใหม่คงไม่มีชายใดดีเลิศประเสริฐสีเท่าด็อกเตอร์กริอีกแล้ว8ปดปีเต็มที่เขาจากหล่อนและลูกไปจากไปยังไม่มีวันจะหวนกลับคืนมาพญามัจจุราชก็ช่างะไร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 เสียงแตรรถดังอยู่ที่หน้าบ้านสตรีไม้วางเตารีดลงลุกขึ้นเดินไปดูตรงหน้าต่างก็เห็นรถเป็นจอดอยู่หน้าประตูรัว้วคงเป็นพ่อแม่ลูกที่พากันมาเมื่อวานและอ้างว่าเป็นดรอกเตร์กริชเพื่อจะขอวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรหล่อนจะให้ในเมื่อของสิ่งนี้เป็นที่รักและห่วงแหนของสามีหล่อนครั้นเห็นภิกษุรูปหนึ่งก้าวลงจากรถ ก็จำได้แม่นยำพระเจริญเพื่อนของด็อกตร์กรินั่นเองรีบเดินกลับไปถอดปลั๊กเตารีดแล้วจึงลงบันไดเพื่อไปเปิดประตูรั้วบ้านนิมนต์ค่ะนิมนต์ขึ้นบ้านเชิญค่ะหล่อนนิมนต์พระครูพร้อมเชิญเชิญสามพ่อแม่ลูกแล้วจึงเดินตามอาคัรตุ ก, กะทั้งสี่ขึ้นไป จัดการหาเสือมาปูให้ท่านนั่งและหาน้ำดื่มมาถวายฉันน้ำแล้วภิกษุวัยใกล้สี่สิบก็เอ่ยขึ้นโยมพิมพาจำอาตมาได้ใช่ไหมที่โยมเคยไปวัดกับด็อกเตอร์กริดเมื่อแปดปีที่แล้วจำได้ค่ะดิฉันจำได้ไม่มีวันลืมเพราะกลับจากวัดวันนั้นด็อกเตอร์กริษก็เสียชีวิต ตอบเสียงสั่นน้อยๆด้วยยังจำฝังใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เขาเกิดใหม่แล้วเด็กคนนี้คือด็อกเตอร์กริดกลับชาติมาเกิดอาตมาพิสูด์แล้วเชื่อถือได้นางพิมพามองหน้าเด็กชายวัยแปดขวบเหมือนไม่เชื่อคนกลับชาติมาเกิดจึงรับรองว่าเป็นจริงครับคุณพิมพ์ภาผมคือสามีของคุณ เมื่อชาติที่แล้วคุณต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับด็กเตรกริดก anyway. <t horas> ็ถามผมได้เลยแล้วนี่เก่งกับกล้าลูกของเราไปไหนล้วครับเท่านั้นเองคนถูกถามก็ร้องไห้โฮโผเข้ากอดเด็กชายไว้แน่นเด็กชายกอดตอบหากไม่ได้ร้องไห้แม้จะอยู่ในร่างของเด็กอายุ8ดขวบหากจิตใจของเขาคือดรกเตอร์กริดเมื่อชาติก่อน ห้ามใจเสธเถิดโยมตอนนี้ด็อกเตอร์กริเขาก็ไม่ใช่สามีของโยมแล้วถึงจะอยู่ภพภูมิเดียวกันแต่ก็เป็นคนละชาติกันโยมต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้การที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่าเขามีมหากุศลติดมาแต่ชาติก่อนหาไม่แล้วก็ต้องไปเกิดในอบายภูมิ มีนรกเปรตอสุรกายเดรฉานเป็นต้นภษุไธวัยใกล้40พูดปรับใจพัญญาของเพื่อนเก่าสตรีวัยสามสิบเศษได้สติจึงคลายวงแขนออกทำไมเขาต้องอายุสั้นล่ะคะถามทั้งน้ำตาในจุลกัมมวิพางข้าสูตร พระพุทธองค์ตรัสตอบสุภมานพโตเทยบุตรว่าเหตุที่ทำให้บุคคลเกิดมาอายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดอกเตอร์กริมีกรรมข้อปานาติบาตติดมาแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ต้องมาตายก่อนถึงวัยอันสมควรแต่เขาก็มีกรรมที่เป็นมหากุศลติดมาด้วย จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านพระครูอธิบายตามหลักแห่งเหตุและผลที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตกลองว่าคุณเชื่อแล้วใช่ไหมที่ว่าผมคือด็อกเตอร์กริกลับชาติมาเกิดเด็กชายวัยแปดขวบถามสตรีที่เคยเป็นพัญยาของตนเมื่อชาติที่แล้วค่ะดีฉันเชื่อแล้วก็ไม่ขัดข้องหากคุณต้องการวิทยานิพนธ์สามเล่ม ที่อยู่ในตู้เชิญหยิบได้เลยค่ะหล่อนทีไปที่ตู้หนังสือเบื้องหน้าขับคนที่อนุญาตพูดจบจึงลุกขึ้นไปเปิดตู้หยิบหนังสือเล่มหนาออกมาสามเล่มพูดกับท่านพระครูว่าผมตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานครับท่านอย่างน้อยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิชาความรู้นั้นติดตัวเราไปถึงชาติหน้าได้เช่นเดียวกับความดีและความชั่ว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 เรยอมรับไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อวานดิฉันไม่เชื่อและไม่ยอมให้เข้าบ้านไม่เป็นไรคะ่ะเป็นดิฉันก็คงต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันใครจะคิดว่าเรื่องประหลาดประหลาดอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับตนโชคดีนะคะที่พระคุณเจ้าท่านเชื่อไม่เช่นนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องจะลงเอออย่างไรแล้วคุณเออ จะอยู่รอลูกกลับจากโรงเรียนหรือเปล่าคะนางพิมพ์พาถามคนที่เคยเป็นพ่อของลูกท่านประครูทวงขึ้นว่าอย่าเลยเด็กเขาคงยอมรับไม่ได้ที่คนอายุน้อยกว่าจะมาบอกว่าเคยเป็นพ่อของเขาอาตมาว่าอย่าให้เขารู้ดีกว่านั่นสิครับเกิดเข้าใจให้ลูกผมอยู่กับเขาผมก็คงยอมไม่ได้เหมือนกัน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 หวนหาอดีตหรือวาดหวังอนาคตแต่ให้อยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจึงไม่ควรไปสนใจทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นการอยู่กับปัจจุบันก็คือการอยู่อย่างมีสติท่านพระครูตอบถ้าเช่นนั้น เราควรจะกลับกันเสียทีรบกวนคุณพิมพามาพอสมควรแล้วเด็กชายพูดขึ้นแล้วเออเมื่อไรเราจะได้พบกันอีกคะอดีตพญญาถามผมคิดว่าเราไม่ควรจะพบกันอีกเพราะเราอยู่กันคนละชาติคุณก็อยู่กับลูกส่วนผมก็อยู่กับพ่อแม่ในชาติใหม่ของผมครอบครัวเรากำลังจะอพยพไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับผมอยากให้คุณทาใจให้ได้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 ผมมีลูกชายคนเดียวปุรุไวัยสีสิบขอคำมั่นสัญญาดิฉันให้สัญญาค่ะลูกจะไม่มีวันรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดดิฉันไม่อยากให้แกเกิดความรู้สึกสับสนดีแล้วล่ะโยมเขายังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจเรื่องแบบนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยแม้คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีอีกมาก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 เขาขอความเห็นจากผู้เป็นบรรพชิตไม่ยากหรอกโยมถ้าต้องการพิสูจน์ก็ให้มาเข้ากรรมฐ า, านสักเจ็วันแล้วความสงสัยและความสับสนก็จะหมดไปท่านพระครูเสนอแนะไปอยู่วัดป่ามะม่วงกับอาตมาสักเจ็วันนะโยมนะผมคงไม่มีเวลาหรอกครับเขาเรีบบอกสำหรับนักธุรกิจ เวลาย่อมเป็นเงินเป็นทองเสมอเรื่องอะไรจะทิ้งงานไปอยู่วัดตั้งเจ็แปดวันแต่ผมอยากพิสูจน์ครับเตีย๋ยถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตไปอยู่วัดป่ามะ ม, ม่วงหนึ่งอาทิตย์นะครับเด็กชายขออนุญาตบิดาไม่ได้หรอกหรือต้องเรียนหนังสือเขาบอกลูกแท้จริงเขาไม่ต้องการให้เด็กชายรู้อะไรไปมากกว่านี้เท่าที่เป็นอยู่ ก็ทำให้เขาปวดหัวจะแย่อยู่แล้วผมไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ครับเพราะผมเรียนจบปริญญาเอกมาแล้วบอกตามตรงว่าผมไม่อยากไปโรงเรียนผมเป็นน็อกเตอร์แต่ต้องไปฟังครูซึ่งมีความรู้น้อยกว่าผมแล้วก็ต้องไปนั่งเรียนกับพวกเด็กๆน่าเบื่อหน่ายพูดคุยกันก็ไม่รู้เรื่องและพวกเขาก็หาว่าผมเพี้ยนเดี๋ยอย่าขัดใจผมเลยนะครับอีกประการหนึ่งผมก็ไม่จําเป็นต้องเรียนเพราะเรากําลังจะอพยพไปอยู่ญี่ปุ่น ให้ผมไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นดีกว่าเด็กชายบอกบิดาอาตมาว่าถูกของด็อกเตอร์เขาโยมอนุญาตให้เขาทำตามที่ขอเถิดนะการเจริญกรรมฐานถือเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดไปตบทุกได้ยากบุญกุศลก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าจะให้ดีอาตมา อยากจะเสนอแนะว่าควรจะพากันมาทั้งครอบครัวนั่นแหละมารดาของเด็กชายเห็นดีเห็นงามด้วยจึงพูดขึ้นว่านั่นสิคะดิฉันเห็นด้วยกับท่านเฮีย <Here, S 1> เราน่าจะทำตามที่ท่านแนะนำนะเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจริงไหมคะคุณพิมพาหล่อนหาคนสนับสนุนจริงคะ่ะดิฉันก็กำลังคิดอยู่ว่า ปิดเทอมจะพาลูกชายไปเข้ากรรมฐานต้องขออนุญาตล่วงหน้านะคะประโยคหลังหล่อนพูดกับท่านพระครูเชิญจะโยมวัดป่ามะม่วงยินดีต้อนรับทุกเวลาถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องลารบกวนคุณพิมพามานานแล้วขอบคุณนะครับที่อนุญาตให้ผมหยิบวิทยานิพนธ์ไปเด็กชายบอกลาพัญยาในอดีตชาติ นางพิมพาลงมาส่งอาคันตุกะถึงที่รถและรอจนกระทั่งคนขับเคลื่อนรถออกไปความรู้สึกเหมือนดังว่ากำลังฝันหากก็รู้ว่าไม่ได้ฝันลันจัดการปิดประตูรั้วบ้านแล้วกลับขึ้นไปรีดผ้าต่อตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ญาติพี่น้องฟังดีหรือไม่ในที่สุดก็คิดว่าไม่เล่าจะดีกว่าเกิดพวกเขา เผลอไปเล่าให้ลูกชายสองคนของหลอนฟังเรื่องก็จะไปกันใหญ่ทางที่ดีที่สุดคือหล่อนจะขอเก็บเรื่องนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวและอาจจะเล่าสู่ลูกฟังเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรถเบนซ์สีน้ำเงินแล่นมาจอดที่หลังกุฏิอีกครั้งเมื่อเวลาหกโมงเย็นเด็กชายขออนุญาตบิดามันดา ท, ที่วัดเพื่อปฏิบัติกรรมฐานเราสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะตามมาภายหลังเมื่อเข้ามาในกุฏิท่านพระครูก็ต้องแปลกใจเมื่อได้พบกับนายวิกโก้อ้าววิกโก้มายังไงล่ะนี่ท่านทักทายรู้สึกยินดีที่ได้พบเข้าอีกนายวิกโก้กราบเป็นจางข้าประดิศสามครั้งแล้วตอบ